มันจะเป็นเวลาสักเท่าใดไม่ทราบได้เขาสะดุ้งตื่นพวดพราดขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงปืนที่แผด ร, ระเบิดกึกก้องท่ามกลางความเงียบสงัดของราตีในภัยทึบเช่นนี้มันดังสถานพอที่จะปลุกคนขี้เศราที่สุดให้ตื่นขึ้นได้จอมพานเพ่นขึ้นยืนพร้อมกับไรเฟิลพานของเขาทั้งสี่และลูกหาบทุกคนก็ลุกขึ้นทุกคนและในเสี้ยวของวินาทีที่ระพินค้นหาที่มาของเสียงปืนนี้เอง มันก็ระเบิดสนานขึ้นอีกนัดหนึ่งคราวนี้บอกตำแหน่งชัดมันดังออกมาจากเต็นของนายจ้างนั่นเองและพร้อมๆกับเสียงปืนนั้นก็มีเสียงเ อ, อะอะลั่นในเต็นชนิดฟังไม่ได้สับแงซ า, ายพุ่งปราดเข้าไปก่อนเพราะอยู่ใกล้หน้าเต็นกว่าคนอื่นแล้วเราพินก็ติดเข้าไปเป็นคนที่สองพร้อมกับไฟฉายทันทีเขาแหวกม่านตามหลังแ ง, ง่า ย, ายเข้าไปภาพในเต็นกาลังฉุกกระหุก ท่ามกลางแสงริบหรี่ของตะเกียงรัวที่แขวนไว้เสากลางรวมทั้งลำไฟฉายขนาด8ดท่ออีกสามกระบอกของกลุ่มนายจ้างที่ฉายสาสตร์อยู่ไปมาสับสนไปหมดม้งสนามของเตียงชา ย, ยานและเชิฐาขาดลงมาสุมกองอยู่กับพื้นภาพที่เห็นท่ามกลางแสงไฟฉายในมือของแต่ละคนที่ศาสตร์อยู่ไปมานั้นก็คือชา ย, ยานปาริหารขึ้นไปนั่งกอดข่าวอยู่บนโต๊ะสนาม เชิดายืนอยู่บนหีบสัมภาระริมผนังเต็นท์อีกตอนหนึ่งส่วนหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินนั่งคุกเข่าอยู่บนเตียงนอนของหลอนในมือคือปืนสั้นจุดเจห้าประจำตัวตาของหลอนเบิกโพรงหน้าซีดเผือดที่พื้นดินปลายตีนเตียงสนามของชัยยันท่อนยาวที่มีเกร็ดสะท้อนแสงไฟเป็นมันละเลื่อมเหลืองสลับดำขนาดท่อนแขนกำลังดิ้นเล่าบิดม้วนเป็นเกลียว มือทอนหางรัดพันอยู่กับขาเตียงเลือดแดงฉานมันคูงูสามเหลี่ยมตัวยาวประมาณสองวาเศษเสียงหญิงสาวผู้คุกข่าวอยู่บนเตียงง้างนกปืนในมือคลิกขึ้นอีกครั้งระพินก็ร้องออกมาอย่ายิงกระสุนอาจแนลไปโดนพวกลูกหาบข้างนอกหล่อนชะงักตามคำสั่งของเขามรุตยูไม่มีตีนตัวนั้นยุติการดิ้นเล่ารงแล้ว คมีแต่ส่วนปลายหางเท่านั้นที่วาดไปมาเบาๆและในที่สุดก็สงบราบคาไปท่ามกลางสายตาที่จ้องตะลึงของทุกคนกระสุนนัดหนึ่งเจาะก้านคอส่วนอีกนัดหนึ่งทะลุกลางศรีรษะของมันพอดีนั่นคือฝีมือยิงชั้นประกาศสิทธิ์ของดารินวราลิศพรานใหญ่กระพริบตางงๆมองดูหญิงสาวจ้องไปที่งูตัวนั้นแล้วหันไปมองดูตาเชื่ากับชัยยัน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 เสียงชายันเพ่นจะเตียงโครมคามผมก็เลยกระโจนออกมาจากมุง้งขึ้นมาอยู่บนหลังนี่แหละนี่ขึ้นมายังไงไม่รู้เหมือนกันผมก็ตกใจตื่นเพราะเสียงปืนเหมือนกันชายยาันหน้าเลือกลากเสรอมาโดยเร็วทำท่าขนลุกขนพองเสียงน้อยตะโกนอะไรร่านฟังไม่ถนัดเตือนผมคล้ายๆจะบอกว่าอะไรมันกำลังจะเล่นงานผมอยู่งั้นแหละผมก็เลยเพ่นมุง้งเมืองขาดป่นหมด พอขึ้นมาอยู่บนนี้ก็เห็นไอ้นัน่นดิ้นผ้าฉกกัดขาเตียงผมอยู่พอน้อยยกอีกตูมสามลงไปมันก็หล่นพากลงไปกองอยู่กับพื้นโอโหใจหายใจคว่มหมดกำลังหลับเพลินทีเดียวแล้วผิดหันไปทางหญิงสาวอีกครั้งเขาถามหล่อนด้วยสายตาดาลินวางปืนลงกับหมอนประสานมือกำไว้ในระหว่างอกหน้าอย่างซีดขาวฉันกาลังหลับๆตื่นๆหลอนบ่เสียงสัน่น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 หัวของมันซ้อไซทาท่าแทะผ่านมุ้งของชายยันเข้าไปให้ได้ชายยันทับมุ้งไม่แน่นด้วยพอมันลอดหัวเข้าไปในมุ้งของชายยันฉันก็ตื่นจากตะลึงแล้วหลอนก็หันไปทางเพื่อนชายถามเดเรีว่าว่าแต่มันทันกัดเธอหรือเปล่าชายยันรีบตาลีตะเหลือกสำรวจดูท่านส่วนเท้าของตนเองอย่างอกสันขวัญหายแต่ละพินตอบมาแทนให้ว่าเห็นจะยังไม่ทันกัดหรอกครับ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 เสียงยังไม่วายสัน่นรปินสั่งให้ขัดแงซทายจุดตะเกียงเจ้าพยุขึ้นแล้วออกเดินสำรวจอย่างละเอียดรอบเต็นทุกซอกทุกมุมเห็นขึงแน่นหนาชิดพื้นดีไม่มีรอยโ่ก็เดินมาหยุดที่หน้าประตูเต็นพูดต่ําๆก็เห็นจะเข้ามาทางประตูเต็นด้านหน้านี่แหละครับเป็นความผิดของผมเองที่สั่งให้แงซ า, ายนอนเพราะเห็นว่าเหนื่อยมาทั้งวันโดยไม่ได้นอนเลย วันนี้ถ้าเงสายตื่นอยู่ยามเหมือนเช่นทุกคืนเขาก็คงจะเห็นเสี ก, ก่อนเงยสายเองก็คลางออกมาในราคอยอย่างรู้สึกเสียใจจ้องมองดูที่อาสารพิษร้ายแล้วโคลงหัวอยู่ไปมาพรานใหญ่เข้าไปสำรวจดูซาก ง, งูร้ายอีกครั้งใช้ปากกระบอกไรเฟิ่เงขียดูจนแน่ใจว่าตายสนิทแล้วก็พยักหน้าบอกให้เงยสายเอาไม้ขีดออกไปทิ้งเสียตั้งแต่เราเข้าป่ามา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 ก็มักจะชอบแอบเข้าไปซุ่มอยู่บ่อยๆเจ้าพวกนั้นตัวเล็กมองไม่ค่อยเห็นถ้าไม่สังเกตให้ดีพวกตะขาบกับมแมลงป่องตัวเล็กๆก็ชุมมากก่อนนอนเอาน้ำ ม, มันทากันมแมลงฉลมตัวเสียก่อนละดีทนเหม็นเอาหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าพับผาสิกำลังฝันถึงไอ้แหวงอยู่ทีเดียวชายันบนสายหัวดิกพร้อมกับหัวรอแห้งแง้งโชคดีเหลือเกินที่น้อยรู้สึกตัวเสียก่อน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 ความจริงน่าจะมีผงเคมีสักชนิดหนึ่งที่จะประดิษฐ์ไว้สำหรับป้องกันงูโดยเฉพาะโดยโรยไว้รอบๆบ ร, บบริเวณเต็นท์ไม่ให้มันเลื้อยผ่านเข้ามาได้ถามดูตามบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การเดินป่ามาหลายครั้งแล้วก็ไม่เห็นปรากฏว่ามีเชษฐาแสดงความกังวลมาอีกคนแล้วก็หันมาทางน้องสาวถามว่าว่าแต่น้อยมีเซรั่มติดมาในรายการเครื่องเวชภัณฑ์ด้วยหรือเปล่า มีค่าพิใหญ่เป็นเซรุ่มชนิดรวมก็พอจะปะท้าปะทางได้บ้างกระมังสำหรับพวกงูพิษขนาดไม่เกินงูเห่าธรรมดาแต่จะพวกสามเหลี่ยมหรือจงอางเห็นจะไม่ต้องถามถึงเซรุ่มหรอกใครถูกกัดก็เตรียมขุดหลุมฝังได้เอาเถิดครับผมจะรับจะจัดการป้องกันให้เองจอมพรานพูดเรียบเรียบคลี่คลายวิตกวิจารณ์ของคณะนายจ้างที่กาลังเป็นทุกข์หนักใจกันอยู่ผมเองก็ลืมไปเสียถนัด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 ชื่อมันก็บอกชัดอยู่แล้วครับว่าว่านนาคราชลักษณะเป็นเถาไม้เรยถ้ามองเห็นฝาดฝาดเป็นต้องสะดุง้งนึกว่า ง, งูทุกทีว่านชนิดนี้ยางหรือกลิ่นของมันเป็นพิษสำหรับพวกสัตว์เรื้อนทุกชนิดอย่างไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันทำให้ไม่กล้าเข้าใกล้จะสักดิ์สิทธิ์ได้แค่ไหนผมก็ยังไม่กล้ารับรองแต่พวกพรานป่าใช้กันเป็นประจำบางคนเอามาตำฉลมตัวเลยในเวลาที่เขาบุกเข้าไปในพงรก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 อีกหน่อยเมื่อพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปก็เห็นจะต้องให้ในพรานใหญ่ดำเนินวิธีการรักษาแบบพ่อมดหมอผีเอาเถอะบอกแล้วยังไงพ่อมดหมอผีพยายามเลี้ยงเข็มฉีดยาจากแพทย์หญิงดาลินให้พ้นตลอดไปก็แล้วกันใครถูกงู ก, กัดก็อย่ามาขอเซรุ่มนะเอาว่านพ่อแทนระพินเองก็หัวเราะพราะขำในคำพูดเหน็บแนมของคู่ปรับคนสวยเช่นกันเราแล้มันอวดดีซะเรื่อยน้อย พี่ชายจุปากบนมาจอมพรานก็ตัดบทมาว่าเอาละครับสำหรับคืนนี้เห็นจะไม่มีอะไรอีกแล้วนอนพักเสียดี ก, กว่าพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางแต่เช้าแล้วเขาก็หมุนตัวกลับก้าวออกไปจากเต็นแต่แล้วก่อนที่จะพ้นประตูเต็นออกไปเสียงสายของดารินก็ดังตามหลังมาว่าพรุ่งนี้จะเอาว่านาคราชหรือพญามังกรอะไรของคุณมาโรยรอบเต็นเราก็เอานะไม่ขาดหรอก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 โชคดีแท้ที่มันไม่ทันจะกัดใครเข้าบุญคำพูดขึ้นขณะที่พรานใหญ่เอ็นตัวรงนอนข้างๆถ้าทุกคนหลับหมดไม่กระดุกกระดิกเลยมันก็ไม่กัดเขาพูดท่วนๆเกิดก็ซัามาว่าเสียงปืนสองนัดใครเป็นคนยิงครับนายใหญ่หรือเปล่าคุณนายทหารปืนใหญ่นั่นพรานใหญ่สั่นหัวมองดูลูกน้องของเขาอย่างหงุดหงิด เกิดก็เบิกตางงคลางออกมาว่าก็นางฟ้านหญิงนั่นโอ้โ oh หแกเด็ดจริงๆนะครับนายผมดูที่สร้างงูตอนที่แงซา ย, ายขีดออกมาแล้วเข้าหัวกระคอยังกระจับวางเลยผู้หญิงอะไรยิงปืนแม่นร้ายกาดอย่างนี้เด็ดกระผีอะไรเล่าระพินตะอนคอกในลาคอเบาๆหน้ายุย่ยี่กระสุนมันถูกงูก็จริงแต่มันฉแลพื้น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 พอลืมตาขึ้นก็เห็นเสยคุกข่าวอยู่ข้างๆทันทีที่ลืมตาหูของเขาก็แว่วเสียงควายที่ปลูกรายร้อมเอาไว้ดิ้นสะบัดดึงเชือกสายจมูกอย่างแรงเต้นกระสับกระซายอยู่ทุกตัวไปพร้อมกับเสียงร้องรั่นมีเสียงฝีเท้าควายวิ่งตะบึงโครมคาป่าราบไปทางดงด้านเหนืออันเป็นการขึ้นเนินควายสองตัวเชือกล่ามขาดตเตลิดเข้าป่าครับเสือมันเข้ามาตะขบ เสรยรายงานกระหืดกระหอบรพินฉวยปืนกับไฟฉายอีกครั้งบันดูเหมือนจะเป็นคืนแรกในชีวิตรอนแลมป่าของเขาที่เหตุการณ์มารบ ก, กวนติดติดกันทั้งคืนแทบจะเรียกว่าไม่เป็นอันนอนเกิดและจัน์ก็ตื่นขึ้นพร้อมๆกับเขายกเว้นแต่บุญคำซึ่งรพินสั่งให้นอนพักต่อไปเขากับพรานคู่ใจทั้งสามเพ่นตรงมาที่ด้านเหนือของบริเวณแคมป์อันมียามลุกหาบสองคนถือปืนลูกซองเก๊ะๆกลาง กาดไฟฉายส่งเดชออกไปในแนวป่าหน้าซี่ตัวสันอยู่พอเห็นพรานใหญ่ตรงเข้ามาก็บอกลิ้นพันกันเสือมันกระโดดเข้าตบควายจนควายดิ้นเชือกขาดแล้วก็วิ่งไล่กันเข้าไปในโดงโน่นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ ใ, ใกล้ๆดึงเชือกขาดวิ่งตามไปด้วยแล้วผินปราดเข้าไปที่สายร้อยจมูกของควายสองตัวที่ร่างอยู่กับโคนมะข่าและตะเคียนเชือกร้อยจมูกขาดค า, ดาดอยู่ด้วยอํานาจการดิ้นสะบัดอย่างแรงของมัน โดยเฉพาะที่รอยร่ามของตัวหนึ่งมีรอยดิ้นและเลือดจุดเป็นทางเขาสั่งเร็วปือให้พวกคูุขาบที่คุ้นเคยกับควายโดยเฉพาะติดตามเขาไปด้วยสามคนแล้วตัวเขาเองพร้อมด้วยจันเสยด้ยเกิดก็ออกติดรอยไปในทันทีนั้นพร้อมด้วยรำไฟฉายที่กลาดตามไม่มีปัญหาเสือใช้วิธีอันเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมไวพ้พิบของมันเข้าตบกัดก่อกวนล่อให้ควายสะบัดหลุดจากเชือก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 ดินกระจุยลงมาจากด้านชันเลือดโสมเช่นเดียวกันแล้วพินจุปากร่านกวาดไฟฉายไปรอบด้านอย่างโกรธแค้นพวกลูกหาบที่ตามมาด้วยพากันสะบัดออกมาล่านสาบแช่งกันสนานวันไหวต่างประทับปืนจะยิงส่งเดชเข้าไปในพงทึบด้วยความเดือดดาลแต่พรานใหญ่ห้ามไว้อย่าเสียเวลาเปลืองลูกปืนเปล่าไปต้อนควายลงมาเถอะมันไม่เป็นอะไรนักหรอกเพียงแต่ถูกเล็บตกเท่านั้นพวกนั้นช่วยกันไปค่อยๆต้อนควายลงมา สำรวจดูบาดแผลที่เปื้ออยู่ตามตัวไม่ถึงกับชะกันนักมีแต่รอยเล็บตบควนควๆไม่มีรอยฝังเขี้ยวอันเนื่องมาจากมันฮึดสู้และเตรียมตั้งหลักพร้อมโดยที่เสือไม่กล้ากระโจนก็ใส่ได้ถนัดทั้งสองตัวส่งเสียงร้องกร้องตลอดเวลาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดุ ด, ดันและพร้อมที่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายเมื่อต่างช่วยกันต้อนควายลงมาถึงบริเวณแคมป์พวกลูกหาบทุกคนพากันตื่นขึ้นหมดอีกครั้ง เชษฐาชัยยันและดาลินเป็นคนอนวัยอยู่เหมือนเดิมนายจ้างทั้งสามบัดนี้พากันออกมายืนอยู่หน้าเต็นกำลังซักถามเรื่องราวกับแง่ทรายอยู่พอเห็นระพินเดินกลับเข้ามาต่างก็พูกันเข้าไปหาไม่ได้ยิงเหอรอระพินช ย, ยันถามโดยเร็วจอมพรานสันรีสะไม่ทันครับมันรู้ตัวเสียก่อนควายของเราเป็นยังไงบ้างเชษฐาถามแทรกมาทันที ก็บาดเจ็บนิดหน่อยครับไม่ถึงกับชกันอะไรนะักมันพยายามล่อควออกไปหางแคมป์แต่บังเอิญอีกตัวหนึ่งพลอยสลัดเชือกขาดไล่กวดตามขึ้นไปด้วยเลยทําอะไรไม่ได้ถนัดพวกมันไม่น้อยกว่า2ตัวเช่นกันชัยยานจุ๊บปากร่านเขาหน้าสดแสดงอาการตื่นเต้นสยองใจและคนทึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะขนาดพวกเราก่อไฟสว่างโพรอบด้านคึกคักกันถึงขนาดนี้ควายก็ต้งหลายตัวมันยังกล้าอีก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 เมื่อตอนตีสองน้อยยิงงูสองนัดดังลั่นไปหมดถ้าพวกมันป้วนปิ้นอยู่แถวนี้ก็น่าจะเห็นกันไปหมดแล้วด้วยความตกใจหน่อยแน่พอตอนตีสี่ดอดเข้ามาตะปควายได้ผมเคยบอกไว้แล้วนีครับสัตว์อื่นพอทำนาแต่ไอเสือนี่เอาอะไรแน่กับมันไม่ได้มันก็รู้ว่าพวกเราอยู่กันคึกคักเตรียมระวังเต็มที่แต่มันจ้องจังหวะเผลอผมไม่คิดว่ามันจะกล้าเข้ามาหมายเล่นงานคนหรอก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 นอกจากคนถูกค้อนคนเดียวสองชั่วโมงสุดท้ายของราตรีนั้นก่อนที่แสงตะวันจะขึ้นผ่านไปด้วยความสงบไม่มีอะไรกระตกกระตากเข้ามาแพร่ผ่านอีกเช้าตรูรุ่งขึ้นภายหลังเวลาอาหารแล้วคณะในจ้างทั้งสามก็พร้อมสําหรับการเดินทางแล้วพินสั่งให้จันกับเสซยพร้อมทั้งลูกหาบส่วนใหญ่อยู่ประจําเฝ้าปางพักคงให้เกิดกับบุญคําเท่านั้นที่จะเดินทางไปด้วย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 นอกจากนาัน้านครั้งก็ซุบซิบหารือกับบุญคำเพียงคำสองคำทุกคนเดินกันไปด้วยอาการเคร่งครึม น, นอกจากครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงจากเขาเระพิญชี้ให้คณะนายจ้างของเขาดูรอยกระทิงชนิดยังใหม่สดๆดร้อนๆที่ตะกุยขึ้นมาจากโตรกชันริมทางย่ำตัดด่านช้างไปฝูงเบ้อเลยครับไม่ต่ำกว่าเจดตัวตัดหน้าเราไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้เองอาจเป็นระหว่างที่เราเดินอยู่บนไหล่เขา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 เขาตอบเรียบเพียบแต่แล้วทันทีนั้นเองพรานใหญ่ก็หยุดชะงักกึกอยู่กับที่ปาดแขนออกไปกัน้นหม่อมราชวิงวงหญิงดาลินซึ่งกําลังจะเดินล้ําหน้าให้ชะงักลงด้วยเชื่อถากับชายยันที่สาวท้ามาติดติดหยุดลงด้วยอย่างกระทันหันคงมีแต่บุญขามที่เดินนําหน้าห่างออกไปประมาณ39เท่านั้นที่คงรุดดุ่ม ด, มดุมต่อไปตามด่านสูงชัน